กดสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะเราก็มาถึง FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวค่ะดิฉันสรรสณี วันนี้อยู่ในกลิ่นไอที่ได้ยินคนพูดถึงเรื่องของสันติอืมกันมากเลยนะคะอืมแล้วเอ่อก็ต้อง แนวปรวะสันติเนี่ยเอ่อหมายถึงการไม่เบียดเบียนใช่มั้ยแล้วเราจะแปลความในทางคําสอนของพุทธชานะการไม่เบียดเบียนเนี่ยสมมุติว่าเราจะไม่มีเอ่อจะนะนะ 4 นะบุคคลที่เจริญสติปัฏฐาน 4 เนี่ยเพื่อรักษาตัวเองใช่มั้ยก็ชื่อว่ารักษา แต่บนระหว่างทางที่เราจะเดินทางไปถึงนิพพานเนี่ยคุณก็มีสันติสุขละเอ่อเรื่องความไม่เบียดเบียนเนี่ยคุณโยมติวอย่างอย่างเอ่อในทางคําสองด้วยสมมุติว่าเอ่อ ไม่เบียดเบียนตัวเองก็จริงอยู่แต่ว่าเบียดเบียนคนอื่นเช่นบางทีเราพูดความจริงขึ้นมาสักอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าความจริงนั้นเนี่ยมันบาดลึกทําให้เขาเจ็บใจอย่างเงี้ยก็ชื่อว่าไอ้ความเนี้ยมันไปเบียดเบียนเขานะคําสั่งพุทธเจ้าเนี่ยเป็นไปเพื่อที่ uhm, ไมไม 2 ฝ่ายพร้อมๆกันในสมมุติเราบอกได้ เอ่อเช่นว่าเอ่อฉันทําความดีแนะนําความดี นะซึ่งซึ่งในทางคําสอนของพุทธเจ้าเนี่ยคือ นั้นดับความทุกข์สนิทนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะตีความว่าคําว่าสันติหมายถึงนิพพานอย่างนั่นคือนิพพานนั่น ศาสนาพุทธก็มีสันติอยู่ในระหว่างทางของการที่จะแสวงหาการดับเนี่ยก็ แน่แต่แต่หรือว่าเราจะไม่หวังการเนี่ยมันมันน่าสนใจตรงผลมันต้องเกิดและเพราะฉะนั้นจึงจริงเป็นคําสอนในมากๆเลยนะถ้าเราสร้างเหตุมันก็ต้องเกิดไม่ ว่าความทุกข์ให้มันดับให้ได้มันค่ะทีนี้บางคนอาจ 5 รักษา 5 นี่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการที่ 1 ใน 8 ค่ะที โหอุตส่าห์รักษาค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าตัวเองเนี่ยทําอือโกหกไปเลยอือมันเสียหายอย่างไรคะเอ่อการนะคือถ้าเราพูด เจอในสิ่งว่าเอ่อถ้าหวังความอืมจะได้มีทุกข์ 5 กับอ่ายึดเค้าอ่าปฐมานไม่หวั่นไหวในพระๆละอยู่ๆภาวะคับขันอืมมัน โอเคเป็นไปแล้วทํายังไงดีท่านคะอืมเอ่อพอเราทําความผิดไปแล้วอย่างงี้ใช่มั้ยสมมุติเราเผลอพลาดพลั้งทํา เอ่อแก้ไขได้ไม่ใช่พุทธเจ้าก็บอกอย่างนี้บอกว่าๆเหล่านั้นเช่นว่าเอ่อไป ทำอ่าปฏิบัติโดยการไม่โกหกอยู่เป็นประจำแต่ว่ามันมันมีวันเพราะฉะนั้นความไม่ปกตินั้นมัน ค่ะเอ่อตัวของดิฉันเองเนี่ยเข้าใจอีกแบบนึงนะคะค่ะคืออืมก็จึง เอ่อตรงนี้เราต้องดูที่ตัวบทน่ะที่บอกว่าเอ่อศีลเนี่ย นะมันก็ยังจะต้องมีเผลอพลั้งเผลอสติแต่ถามเดี๋ยวมีโอกาสแน่ๆเราใช่ๆ แน่นอนเลยใช่มั้ยคะอันนี้นี่ผิดแน่คือขาดทะลุด่างร้อยล่ะแต่ถ้าบางทีคําค่ะทีนี้เอ่อขออนุญาต แต่มันเป็นเรื่องที่มันเกิดกระทันหันไม่ได้ตั้งหลักนะคะแล้วถามค่ะเอ่ออยู่มีการเพลิดอยู่มี กำลังอยากจะยกตัวอย่างแล 100% แล้วเสียดายมากว่าๆอยู่ดีอืมก็ บางคนเสียขวัญไปเลยอืมอย่างเนี่ยอ่าวันนึงค่ะขับรถๆข้างหน้าไม่แน่ใจเป็นท่อนไม้หรืออะไรก็ไม่รู้แต่พอเนี่ยพออืมอย่างเงี้ยขวัญก็เติ้งไปไหน เราเห็นละแต่มันไม่สามารถที่จะประงับอืมก็เอ่อคือก็เป็นเรื่องที่เนี่ยอันเนี่ยเอ่อ อันนี้มันเป็นผลของหิริอุตตปะที่ทําให้เรารู้สึก 2 ส่วน ก็จึงเป็นการที่ท่านพยายามจะวิเคราะห์ให้เห็นว่าการมีเจตนากรณีหนึ่งเราไม่มีเจตนาแต่พออืม เป็นไปใช่ยุริโตุตะปะคือความละอายแล้วก็ เอ่อ comme ça งบชาเนี่ยๆอีกหลายๆอย่างนะความเจริญกันอีกหลายๆอย่างๆ เวลาร้อนเราก็ไม่ร้อนทรมานแบบใครอย่างดิฉันเพิ่งไปจะเลือนหายไป วันนี้ที่ว่าเราจะมาพูดถึงเรื่องของไฟที่กำลังเผารนไหมอยู่ได้พระพุทธเจ้าได้อธิบายเรื่องนี้ไว้หลายส่วนคิดว่ามาพูดถึงต่อในวันพรุ่งนี้ก็ได้เจริญพรค่ะงั้นคงจะต้องรบกวนท่านใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้ก็นมัสการขอบพระ ให้หายสงสัยในสิ่งที่ข้องใจมุมในการที่จะปฏิบัติ 106 ค่ะวันนี้เราลา そのため Po a